หลวงพอ่อท่านให้พูดถึงการเก็บอารมณ์นะครับเพื่อเป็นการศึกษาเนาะก็ตัวผมเองก็มาคลอดนี้ก็จะอยู่ข้างนอกนะครับช่วยงานหลวงพ่อเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ถือเป็นการเก็บอารมณ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเก็บอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปอยู่กับที่อย่างเดียวนะครับเราจะต้องเก็บทุกๆอย่างตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมายันถึง อ่นอนจนถึงหลักนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับสําหรับตัวของเองเนี่ยก็อ่าจะอาสัช่วงเวลาอ่าแบ่งเป็นตอนนะครับสําหรับผมผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงว่าขี้เกียจนะไม่รู้เป็นทุกคนหรือเปล่าเวลาไปเดินยงกลเวลาไปสร้างอย่างหวานนี่มันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากทํานะครับแต่เราก็ต้องฝืนตัวเองทําทีนี้เราก็จะหาจุดที่ตัวเองทําได้ดีตอนไหนอย่างนี้ อย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาสั้นอย่างหวันเนี่ยจะมาเล่นทำตอนอทำวัดนะครับตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นช่วงที่หลวงพ่อเทศหรือว่ามีคนพูดเนี่ยเออเราจะอาใส่ช่วงเนี้ยในการเล่งของเพียรของเราโดยที่ก็ปล่อยให้ผู้คนเนี่ยเขาเขาพูดไปเขาดําเนินร า, ายการไปแต่เราก็าใส่จังหวะนั้นในการทําส่วนการเรียนจงกรมเนี่ยก็ใส่ช่วงกับการกับงานเราเดินไปนั่นไปนี่ ก็ใส่วงอย่างว่านั้นเพราะว่ามันจะไม่ง่วงครับใช่ไหมเวล า, ดลมม เ, เ, าะะเดินโ ก, มนกนน ร, ก 5, 5รนมนี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดินไปสามสีรอบนี่ได้เรื่องเลยกไปเหมือนกันนะครับยกไปห้าห้าครั้งเนี่ยบัรหาลทีไม่รู้เพรอะไรไม่รู้เป็นทุกคนหรือเปล่าเนาะแต่เราก็พยายามฝืนครับอหลักการอ่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับลกหลักการปฏิบัติผมก็คือจะพยายามอันนี้เพิงพ่งเพิง่งเพิ่งเรียนรู้ใหม่นะครับเพิงพ่งเพิ่ง ภาษาเยอะขึ้นก็ต้องปรับตัวเนะาะเมื่อก่อนเราเด็กๆก็ปล่อยปะและ้เลยไปแต่พอเราเริ่มภาษาเยอะขึ้นเราก็ต้องเริ่มเข้มงวดตัวเองนะครับเราก็เริ่มที่ต้องสร้างให้ตัวเองเนี่ยตื่นตัวนะครับพอม่เริ่มจะ ง, ง่วงจะซึมเหนะือยเมื่อก่อนเลยเรานั่งหลับเลยครับกลัวอไม่กลัวกูบาอาจารย์ว่าหรอกกลัวลเรายังใหม่อยู่ใช่ไหมเราก็ศัยความใหม่ก็นั่งนิดหน่อยนะ่าหลับค อ, อตกลูกที่เงยคอขึ้นมาก็ปวดคอแล้วใช่ไหมเป็นไหมทุกคน ที่ทำไมปวดคอแค่ก็นั่งร้างอย่างว่าอยู่นี่หลับไม่รู้ตัวนะครับเราเหนื่อยเอมาโอ้ไม่ปวดคอยอย่างเนี้ยเป็นเพราะอะไรใช่ไหมมันหลับลเราไม่รู้ตัวมันเหมือนว่าเราตื่นมาแล้วเราสร้างอย่างว่าต่อไม่ใช่นะครับความกิงหลับไปนานนะครับเออเราต้องสังเกตดีๆนะครับอ <c oughs> ใช่บางทีเราเหมือนความรู้สึกว่าที่ทาไมวันนี้มันเข้าไปจยางไ <c oughs> ตัวเองหลับไม่รู้เรื่องนะครับ ตอนที่ผมปฏิบัติใหม่เนี่ยผมก็จะให้เพื่อนเนี่ยคอยสะกิดนะเพื่อนคู่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเฮ้ยเวลาคุณเวลาผมหลับเนี่ยคุณช่วยมาทําอะไรเสียงดังๆหน่อยหรือว่าทําเป็นตบมือหรือว่าอะไรให้ผมตื่นหน่อยได้ไหมเราก็อาศัยกัญญาณมิตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวด้วยด้วยตัวเองเมื่อก่อนไม่เชื่อนะครับให้เพื่อนเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้นะเออตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองหลับอ่ะอ้าวคิดดูต้องให้เขามีหลักฐานหลั้ฐานแล้วถึงเชื่อก็เลยต้องปรับมาเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวของเมยก็ จะใส่ช่วงอยู่ข้างนอกเนี่ยทําได้ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะช่วยงานครูบาอาจารย์เวลาทํำนั่นทานี่เนี่ยเราก็จะได้ใช้สมองได้ใช้ได้ใช้การวางแผนต่างๆการเดินการหยุดการนั่งอย่เงี้ยการเราจะไปยังไงไปทางไหนให้มันเงียบให้มันเบาๆไม่รบกวนผู้คนเราก็ได้ใช้สติส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยนะครับแล้วเวลาที่เราไปขัด อ, อารมณ์ไปขัดใจกับคนรอบข้างนงมันก็จะเห็นชัดใช่ไหม บางทีเราท่าอย่างหวาไปเนี่ยมันนั่งนึกคิดไปเนี่ยบางทีเราโมโหข้างในแต่ว่ามันก็เป็นเพียงเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดขึ้นมาแต่เวลาเราเจอกระทบจริงๆเนี่ยโอ้หมันใจนี่มันเต้นตึกนะมันเป็น่ยนไครับใช่ไหมใจมันคือรู้สึกว่ามันมันขึ้นเลยทีนี้เรามันอยู่ที่เราแล้วว่าเราเห็นแล้วเราจะทํำยังไงบางทีเราก็สวนขึ้นไปเลยใช่ไหมบางทีก็เออนี่นี่ี่ฉันหยาบได้แล้วใช่ไหมมันก็เห็นของจริงนะครับมันก็เป็นการพัฒนาสิ่งนี้ไปเรื่อยๆ ก, ก็ทําอยู่นี้เรื่อยๆมันถึงให้ทําให้ตัวเองนั้นอยู่ได้นะครับถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปตามอารมณ์ตามความคิดเนี่ยคือพูดตามตรวก็อยู่ไม่ได้นานขนนี้หรอกเห็นไหมข้างนอกนี่สนุกสนานเีฮาเวลาสงการานต์เวลาปีใหม่ที่โอ้ยเพื่อนโอ้ยโทรมาชวนทรมาอะไรเราก็เห็นว่าโมันมันเป็นความคิดที่ว่ามันจะสนุกสนุกออกไปสนุกสนานเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะครับมันเปลี่ยนเพียงภาพที่เราคิดขึ้นทั้งที่เราก็เคยเห็นอยู่วันเป็นยังไงนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่รู้สึกตัวของเรา อยู่การก้าวเดินการนั่งการลุกขยับตัวอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนทุกวันนั่นแหละแล้วก็เอามาปรับใช้ะจะจะขยับตัวทีเอ๊ะนอกจากขยับตัวแล้วเราเปลี่ยนตอนนี้มันเหมาะสมไหมอ่าเราก็เพิ่มอีกีชั้นหนึ่งจะเปลี่ยนท่าอายุขาขึ้นคนนั่งเต็มอยู่อ่าเราก็รอก่อนอรอจังหวะที่มันดีๆเรวก็เปลี่ยนอย่างนี้มันก็เป็นการดูสองชั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อเสริมเข้ามานะครับอย่างการจะลุกไปเนี่ยตอนนี้คนกําลังพูดพลานอยู่อ่าเราก็ ว่าเราจะลุกแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ก่อนเพื่อหาโอกาสดีๆเทียจไปอย่างนี้ก็หาส่วนเสริมมาครับแล้วก็บางครั้งการจะจะไปจะมาจะนั่งจะอ่าจะลุกจะเดินเนี่ยเราก็อาศัยว่าเป็นการฝึกนิสัยของเราด้วยนะฝึกมารายาทจะไปอย่างนั้นอย่างนี้มันมันเหมาะสมไหยก็มาอีกชั้นหนึ่งทําในหลายหลา ย, หลายขั้นที่มันจะทําให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับไกลให้ได้ลึกที่สุดนะ เห็นไหมหลวพอทาพยายามสอนให้ดูไปถึงรายละเอียดถึงดูถึงเวทนานะอ่าหยาบกลางละเอียดก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยเกาะกับกายเนี่ยให้เลือกที่สุดนะครับยิ่งมันดูเลือกเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไม่มีโอกาสที่จะคิดไปข้างนอกเลยใช่ไห ม, มนี่คือหลักการของมันนะครับแล้วเราพยายามสร้างตัวเองเนี่ยให้ตื่นตัวนะครับพอมันเริ่มหยซึมพรอมเริ่มจะง่วงก็ทําให้มันดีดขึ้นมาให้มันตื่นตัวความตื่นตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ เราทําทั้งวันอ่ไปเสิร์ฟหลับ5นาทีเนี่ยเรียบร้อยนะครับใช่ไหม <S <S พรุ่งนี้มาเราก็ต้องมาสู้กับช่วงเวลานั้นอีกมันก็จะง่วงอีกแต่ถ้าใครประคับประคองตัวเองได้เรื่อยๆเหมือนเราขับรถอ่ะคนขับรถเป็นกับคนขับรถไม่เป็นอ่ะใช่ไหมคนขับรถเป็นเนี่ยเขาก็ประคองนิดหน่อยเพื่อให้รถตรงทางแต่คนใหม่ๆก็ต้องจับสองมือต้องเกร็งมองทางใช่ไหมแล้ว ค, ค่อยประคอง อ่าเพราะว่าทางเราคือคกุศลกับอกุศลใช่ไหมเราก็พยายามประคองให้มันไปทางกุศลอย่าให้มันเลี้ยวออกข้างทางไปทางอกุศลพอมันคิดเรื่องดีแล้วก็ดึงกลับมาครนะมันง่วงเราก็ดึงกลับมามันเบือ่อเราก็ดึงกลับมาให้มันตรงทางที่มันเนี่ยอย่างเราตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นปกติของมันเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรเราไม่ต้องเบือ่อไม่ต้องเส็งไม่ต้องง่วงนะครับเนี่ยตอนนี้คือปกติแต่พอหลังจากนี้เราเริ่ม สร้างอย่างหวาปุ๊บมันก็จะซึมซึมใช่ไหมคอก็เริ่มตัวก็เริ่มหอ่หอห่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเทคนิคนึงก็คือพยายามยืดตัวขึ้นเราจะรู้ว่าเราเริ่มเบื่อแล้วมันจะมันก็เริ่มห่อลงเพราะมันจะเอ็นหลังไปใช่ไหมเวลาม่วงมันจะคอตกๆไปเออเราก็รู้แล้วเฮ้ยมันเริ่มม่วงแล้วเราก็ยืดขึ้นมาใหม่ค่อยๆยืดอทําทําให้เป็นเรื่องสนุกอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมใช่ไหมลงุงลุงนั่งอย่างเงี้ย แปลว่ามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเราต้องยืดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นงั้นมันมันไปกับมันนะครับเนี่ยพยายามทําอยู่นี้แหละคือเราเราอย่าไปเคร่งเครียดว่าเอ้ยนี่ฉันเก็บอารมณ์อะอ่าเนี้ยคือบางคนนี้นาดําเลยใช่ไหมเก็บอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดนะครับมันเป็นเรื่องเข้าไปศึกษาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละก็เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันก็ไปดูหน่อยว่ามันทํำยังไงนั่นเองใช่ไหมก่อนจะง่วงก่อนจะหิวก่อนจะ ตั้งแต่ตื่นนอนมาก็พับผ้าคือเก็บอารมณ์นี้ไม่ใช่ว่ามาเข้ารูปจงกรมไม่เข้าห้องนะครับไม่ใช่เก็บอารมณ์คือการเก็บทุกวันนั่นแหละนะครับตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาตึงขึ้นมาเออนอนอยู่ท่า น, นี้นะอ่าลุกเอาตัวเอ็นขึ้นก่อนเอาแขนค้าขึ้นก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วก็นั่งตัวตรงขึ้นมาพาับผ้าห่มจัดที่นอนอพาตัวเองเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปลงฟันอ่ะ ถ่ายอุจลาระปัสสาวะที่เราสวดกันเนะ่ะมันก็มีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องไปหาไหมแค่เราไปตามดูไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องทําเยอะหรอกแค่ดูเอ๊ะถ่ายลักษณะเป็นยังไงเอ๊ะคนรู้สึกโอ้ปวดหนักมาพวดไปเดียวนี่โอ้โลง่งอ๋อนี่คืออาการโลง่งใช่ไหมใครๆก็ชอบเวลาเป็นโรคใช่ไหมเนี่ยเออการชอบมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมอาการที่มันดับทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมสักพักมาอ่ะเจ็ดแปดมงก็มาเข้าสวดมนต์ก็เราก็ ่ตั้งใจสวดมนต์ทำสมาธิกับการสวดอ่เปล่งเสียงพอประมาณการเปล่งเสียงสวดมนต์เนี่ยมันทําให้เราผ่อนคลายนะครับทําให้เราไม่ง่วงทําให้เราสดชื่นอันนี้สงจําธรรมะได้ไปใช้เวลาเราติดอารมณ์เวลาเราเรานึกอะไรไม่ออกนะปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาธรรมะบางทีเราเดินคิดคิดโอ้ยคิดไม่หยุดคิดสักทีก็ะยกธรรมะที่เราสวดนี่แหละอ่ะบาลีเป็นบางตอนขึ้นมาพิจารณามันก็จะหลุดออกจากเรื่องนั้นมา ก็มาเป็นฝ่ายกุศลแล้วทีนี้ใช่ไหมจากที่คิดคดโมโหอยู่ก็เปลี่ยนเรื่องให้เขาคิดหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะอะ่ไม่หายไปก็ยังดีใช่ไหมสักพักนั่งฟังหลวงพ่อเทศก็เรางเราก็ฟังเจ็ดสามสิบเปรเซนก็พอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้เรานั่งยกมือไปนั่งดูกายไปใช่ไหมสักพักก็หิวอีกแล้วถึงเวลามันก็หิวข้าวแล้วก็ตามดูอารมณ์ไปอย่างนี้ครับตามดูความรู้สึกไปเรื่อยๆแต่ว่า เราพยายามอย่าไปพูดคุยนะครับพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นการคุอยังไงล่ะมันออกมดุดอะใช่ไหมบางทีพูดนี่เอาไม่ลงเลยไม่ได้คุยหลายวันนะใช่ไหอนี่นี่ต้องระวังนะครับต้องระวังอย่างครูบาอาจารย์ท่านพยายามทำให้ดูนี่ยท่านพูดกับใครเนี่ยผมสังเกตหลวงพ่อท่านจะไม่คุยนานหรอกคุยแพร่คุยแค่สาระสําคัญแล้วก็ท่านก็พอแล้วใช่ไหม เพราะเราถ้าเราคุยกันนานเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกใช่ไหมคนเรามันมีเรื่องคุยกันไม่กี่เรื่องหรอกนอกนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยใช่ไหมพูดไปทั่วใช่ไหมเรียกว่าธรรมดาแล้วก็สังเกตอย่างนี้แหละไปอแล้วก็อ่านอกจากเราจะดูกายดูใจแล้วเราก็ดูด้วยว่าเออเราควรพูดไหมควรคุยไหมตอนนี้อย่างเงี้ยเวลากินข้าวเวลาลุกเวลานั่งเราเสียงดังเกินไปไหมเวลาเดินเนี่ยตึ้งตึงตึงต้งโอ้ฉันได้สติอยู่กับการเดินไม่ใช่นะครับ การที่มีสติจริงๆมันต้องไม่มีเสียงรบกวนผู้อื่นเดินอย่างชาง้างอย่างแมวที่หลวงพ่อท่านบอกนะครับเดินเบาๆเนีเ่ยจะเปิดจะปิดอย่างเงี้ยก็เป็นการดูแลหลายอย่างนะครับอันนี้ข้างนอกไปเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่การเก็บอารมณ์ก็เราอย่าถือว่าอมาคอสเข้มห้าวันเจ็ดวันขอให้เราทําอย่างเงี้ยเป็นทุกๆวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนยันนอน นะครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยมาเก็บอารมณ์ที่สวนพันดาวห้าวันพอแล้วอ่าอีกสองสาเดือนค่อยมาเก็บใหม่ไม่ใช่นะครับคืออันนี้คือการมาปูกพื้นฐานห้าวันเนี่ยเราทําให้ตัวเองตื่นตัวแล้วเนี่ยเลิกคอสไปเนี่ยอย่าทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมเราสร้างความตื่นตัวสร้างความกระฉาบกระเฉงสร้างความอ่ารู้สึกกายรู้สึกใจของเราได้แล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยมนันหลุดมือไปเราคอยปกครองอย่างเดียวทีเนี้ยปกครองในสิ่งที่เราอยากนั่นแหละ อ่ประคองสิ่งที่มันอเก่าๆของเราอ่ะความอยากความเบื่อความเสียงความอะไรที่มันมาแล้วเราไม่อยากทําวุ้ยพอแล้วเลิกแล้วนี่พ อ, อรอสแล้วก็ไม่เอาเทัา้งใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่นี่มันเป็นการมาปลูกมาปลูกตัวสติของเราเนะเพื่อให้เราเนี่ยจะต้องดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักงานนี้แต่มันไม่ใช่งานยากใช่ไหมเราก็แค่ดูหน่อยว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ตั้งใจทําหน่อยเข้าไปศึกษานิดนึง อย่างนั่งไส่กว่าไปงง่วงเนี่ยเอ๊ง่วงเนี่มันเป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนั่นแหละมันก็เรื่มตาปิดปิ ด, ปดอารมณ์ซึมซึมตัวหนักหนักฟ้าคึม้มคึมใช่ไมอมสักพักไม่รู้ละมืดแล้ะครับหลับเรียบร้อยครับตื่นมาเอ้ยทำไมโล่งจังเลยใช่ไหมโอ้ฉับกระเฉงมีแรงเลยนั้นยกเว้นว่าตัวเองง่วงจริงครับอย่างเมื่อคืนนอนไม่หลับอย่าง น, นี้ก็หลับได้เราก็ต้องดูด้วยว่า เราง่วงเพราะอะไรอกินเยอะไปไหมซัดข้าวเหนียวไปสองห่อเลยนะครับมันก็ง่วงนะครับใช่ไหมเราก็ต้องคอแก้หลายทางเพื่อให้เราเนี่ยมันก็เหมือนเราการเ ร, เราไปเรียนหนังสืออะถ้าเราง่วงเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจครูสอนหรอกหเห็นไหมครูเขียนกระดานครูพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมแต่ถ้าเราตื่นตัวอยู่ น, ยนั่งฟังครูสอนอย่างเดียวเนี่ยเดยเราก็เข้าใจเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแค่เราตื่นตัวอยู่เนี่ยเขาก็ อ, อธิบายให้เราเห็นเองว่าการเดินเป็นยังไงเหยียบ ไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างก้อนหินบ้างพื้นทรายบ้างพื้นดินบ้างพื้นปูนบ้างอ่ะเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงเจ็บมันปวดอ่ะมันตึงเขาก็บอกเองเราแค่เห็นแค่ดูเฉยๆไม่ต้องมาคิดว่าโอ้ยนีเหยียบหินเจ็บทังเลยอย่าไปคิดครับก็ดูแค่เขาแสดงให้ดูนั่นแหละเนี่ยอย่างความง่วงความเบื่อก็อ่ะมันเริ่มเบือ่อเพราะว่าอะไรเบื่อจากที่เราคิดก่อนใช่ไหม อ่ะอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้สักพักมานั่งอยูง่งี้มันเริ่มเบื่อใช่ไหมเออมันไม่ได้อย่างใจไปเราก็เห็นอ๋อเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจเขาเนี่ยเขาก็จะอยากพาตัวเองหนีอย่างเงี้ยเนมันทําได้ทุกอย่างเลยนะครับการเก็บอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่แต่ในกุฏิอยู่อะไรการกินข้าวการเข้าห้องน้ําการใส่เสื้อผ้างานทุกอย่างที่ทําทั้งที่วัดทั้งที่บ้านได้ทุกอย่างทํากับข้าเราก็ตั้งใจทําหน่อย อ่ะใส่เสื้อผ้าแล้วก็อย่างพภพพะเนี่ยพันอ่าใส่สบงพันจีวรเนี่ยแล้วก็ตั้งใจพันให้มันอแล้วก็จะเป็นสุขอบมันมันก็จะดูสวยงามสุภาพใช่ไหมอย่างนี้ญาติโยมก็เหมือนกันแต่งตัวใส่เสื้อผ้ามันก็จะดูดีออกมานั่นคือคนที่มีสติในการใส่บางคนลุงลังผมเผ่าก็ไม่หวีใช่ไหมแล้วก็หวีผมก็อบรรจงหวีอ่ะฉันจะฝึกสติกับการหวีผมใช่ไหมเฮาคนมีผมนะอ่แล้วก็หวี อ่ะพอหวีปุ๊บครั้งนึงเนี่ยลากผมให้มันแสดงความรู้สึกออกมามันก็จะบอกเองหรอกมันตึงเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเราเก็บได้หมดเลยอารมณ์อ่ะใช่ไหมเนี่ยเขาก็าบอกเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยอย่างตอนเนี้ยง่วงแล้วใช่ไหมเออเนี่ยควาง่วงเป็นยัง ไ, ไงเนี่ยเราก็ตามศึกษาเขาหน่อยเนี่ยหาวไปเนี่ยพอหาวปุ๊บเนี่ยโหยจะอืดนิดนึงใช่ไหมมันจะตัดสัญญาณเสียงไปนิดนึงตอ น, นเราหาวใช่ไหมเออเราก็ตามมาดูเขาหน่อยเออ เขาก็บอกเขาอยู่แล้วบอกเองนะครับอืมเราไม่ต้องไปหาเลยเขาบอกเขาเองแค่เราไปดูหน่อยนั่นเองแต่เราไม่ต้องเข้าไปวิจารณ์อืมเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยอเราพูดด้วยนะครับเราก็นั่งด้วยใช่ไหมอ่าอาการตรงไหนที่มันทับมันตึงอะเราก็คอยดูมันหน่อยอะเราคอยขยับนิดนึงเนี่ยก็จะให้ใจมันส่งออกไปนอกนะครับถึงแม้จะเป็นผู้พูดแต่ว่าก็อย่าออกไปกับข้างนอกอยู่กับข้างในตัวเอง คอยดูแลตัวเองอยู่นี่แหละแต่ก็ทําหน้าที่พูดไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ ก, ก็คือการดูอยู่อย่างนี้นะครับพ อ, อตลุลาผู้ใหม่เนี่ยเวลาไปเดินจงกรมไปชาตอย่างหว่าเนี่ยใจมันชอบชอบคิดใช่ไหมฉันจะมาทมําไมอยู่บ้านก็สบายแล้วมาเดินอะไรทั้งวนันเมื่อยก็เมื่อยก็คิดไปใช่ไหมผู้ใหม่นั้นเป็นอขอให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ คืออย่างที่เราสวดสติปัฏฐานสูตรเนี่ยชานหนึ่งชานสองเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากคนที่ต้องมาอยู่ผู้เดียวก่อนใช่ไหมพออยู่คนเดียวได้เนี่ยมันก็จะเห็นความคิดขึ้นมานะครับพอเห็นความคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันอ่ะความฟุ้งซ่านของเราก็จะไม่มีหรอกต่อไปมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบเย็นเย็นมีปิติในการที่เราอยู่ได้เราเห็นอารมณ์อ๋อเป็นเพียงสิ่งเหล่านี้สักพักสติที่อยู่กับกายเนี่ยมันก็จะดูแลของเขาเอง ครับทีนี้พอเราเห็นแล้วเนี่ยสุขทุกข์ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมันก็จะมีแต่อาการที่มันเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นของเขาไปแต่ขอให้เรามาฝืนเบื้องต้นก่อนในการอยู่คนเดียวให้ได้อยู่ในห้องให้ได้เนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้ให้ชํานาญครับต่อไปแล้วก็ง่ายแล้วเหมือนคนขับรถนั่นแหละนะไม่ต้องจับพวงอะไรมันก็ไปได้ใช่ไหมเราก็ค่อยเอามือดึงนิดหน่อยเอามันจะออกทางก็ดึงนิดหน่อยใช่ไหมผู้ใหม่อาจจะโอ้เกง่ง แต่ไม่น้อไข่เกียยยังไงอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พระหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเราแล้วก็มาเรียนรู้หน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับเขาเลยนะครับเรามองข้างนอกตลอดใช่ไหมเราโ ด, โดนปลูกฝังมาอย่างนี้ตลอดอ่า เ, เกิดมาปุ๊บก็ต้องเรียนเก่งๆนะต้องนายที่หนึ่งนะต้องเป็นเจ้าคนนายคนต้องร่ําต้องรวย ต้องมีเงินทองต้องมีข้าวของสารพัดเราโดนกอกไถหัวมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยแต่พอให้มาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรหรอกมีแต่ความรู้สึกตัวนี่งงเลยใช่ไหมโอ้โหไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่พอเราไม่เห็นเรื่องเนี้ยจริงๆของภายนอกไม่ต้องยุ่งกับเราเลยใช่ไหมเราไม่มีเวลาไปยุ่งกับมันด้วยซ้ำเรายุ่งกับแค่ยุ่งกับตัวเองเนี่ยก็จะแย่แล้วใช่ไหมจะไม่มีเวลายุ่งคนอื่นหรอกใช่ไมืมสักพักมันก็จะอ่ากาใจของเราก็อยู่ด้วยกันมันก็อยู่อย่างปกติ มันก็ได้ไม่ได้มีความสุขอะไรที่เวอร์หรอกแต่ว่ามันไม่ทุกเนยใช่ไหมมันอยู่กับมันไม่มีเรื่องไมอะไรมากระทบมันได้อ่ะออกมาปุ๊บมันก็กระเด็นออกมาปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันก็กระเด็นออกใช่ไหมเหมือนคนที่เรารู้จักมาทักเราแล้วเราไม่อยากคุยด้วยอ่ะจะพักเข้าไปอารมณ์ก็เหมือนกันนะครับมันมัโผล่ออกมาปุ๊บเราเห็นเออเห็นแล้วแต่ฉันไม่คุยด้วยฉันไม่ยุ่งกับคุณเดี๋ยวเขาก็ไปนะครับอืมแล้วเราก็กลับมาอยู่รู้สึกตัวของเรา อย่างนี้ใช่ไหมไม่ยากเนาะนี่สลับพูดภาพรวมที่ผมทําอยู่เนาะนี่ไม่ใช่สอนทํามานะเดีย๋ยพูดเรื่องตัวเองทํานี่แหละนะครับคืออย่าคิดว่าเรามาปฏิบัติทำอย่าคิดว่าเรามาทําอะไรที่มันยากนะครับถ้าเราคิดว่าเรื่องเป็นเรื่องที่มันยากเนี่ยมันจะหนักนะครับมันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่โอ้มันฉันทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุก เรื่องที่ศึกษา <S <S เรื่องตัวเองแท้ใช่ไหมอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องหนักนะครับทําให้เป็นเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายนะครับเดินเนี่ยก็อย่าไปเดินหาแค่เดินเนี่ยขอให้คุณไม่หลบไม่เลี่ยงไปแค่เดินพามันเดินหน่อยแค่นั้นเองถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องเดินไวสิครับคนก็มานั่งพักก็เดินเล่นเดินหัวไปเหมือนเด็กเล่นทรายอ่ะเขายังเล่นได้ทั้งวันเลยเขายังไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมพเพราะเขาไม่คิดเรื่องอะไรงไงใช่ไหมพเพราะเขาเล่นของเขาเล่นอย่างนั้นอ่ะแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องคิดนะ คิดไปนู่นไปนี่บางทีผมจับหัวผมนี่โอ้โหหัวร้อนเลยนะผมคิดมันเยอะลองจับดูนะช่วงเวลาที่เราคิดเยอะๆโอ้หัวรู้สึกหัวร้อนจริงนะครับโอ้บางทีเนี่ยโอ้ขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นก่อนถึงแม้ว่าจะเดินอยู่เ ร, เราเดินได้ก็จริงแต่ว่าเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าความคิดเราเยอะไหมนะครับถ้าคิดความคิดเยอะเนี่ยพยายามกลับให้มาอยู่ที่ตัวนะครับมานับเลี้วเล่นก็ไรหนึ่งสองสามสีอะไรก็ได้ มไมเขี่ยดินเล่นก็ได้นะครับขอให้มันออกจากเรื่องนั้นก่อนใช่ไหมว่ากระเด็กเท้าเล่นอะไรก็ได้อย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปเสียดเรื่องนี้ครับทำอะไรก็ได้หรอกโว้ยหลวงพ่อต้องให้สร้างอย่างกวะเท่านั้น <chỉ spraw swimming> ใช่ไหมเมื่อก่อนผมเฟ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่โยมหรอกไม่กล้าทําอย่างอื่นเป็นการรู้จากที่นะครับไอ้หลวงพ่อเสนให้สร้างอย่างกวะเท่านั้นต้องเดินอย่างกลมเท่านั้นมันถึงจะได้สตินะครับมันก็ถูกแต่ถูกส่วนหนึ่งนะครับ เราหาวิธีหาอุบายในการแก้นะครับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญาอไงใช่ไหมเออแก้ให้ตัวเองออกจากสิ่งนี้หน่อยมันคิด เ, เยอะก็าหาบางทีผมว่ามาแกะนิ้วเล่นนะแกะนิ้วเล่นลูบหัวบีบหูวหน่อยบีบตาเล่นหน่อยขยับแก้มหน่อยให้มันหายง่วงหายเบือ่อมาบีบคอเล่นเล่นหน่อยอ่าแล้วเราก็สร้างจังหวะใหม่ อย่างนี้นะคร im im Lastly, enfin th sure. ับอย่าทําอันเดิมให้มันซ้ําๆคนเรามันเบื่อมันขี้เบื่ออยู่แล้วนะครับใช่ไหมไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าใครหรอกทุกคนนั่นแหละเราพยายามปรับอตัวเองอยู่เรื่อยปรับท่านั่งปรับท่าอ่ายืนอ่ยืนเบื้องยืนมั่งนั่งบ้างเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเราก็ศึกษาไปด้วยนี่คือการเก็บอารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าไปเดินคิดธรรมะทั้งวันถ้าจะตอบหลวงพ่อว่ายังไงดีหน้าถล่มพ้อมาสอบอารมณ์ไม่ใช่นะครับอย่าไปคิดอย่างานแล้ว เป็นหลพอผ่านมาหัวงพ่อจะมาสอบผมชันจะฉันจะตอบท่านว่าอย่างไงดีไม่ใช่นะครับนั้นนั้นออกนอกประเด็นไปแล้วนะครับแต่ว่ามาศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับการก้าวย่างแต่ละก้าวนั่นแหละอ่ามันปวดมันตึงตรงไหนนั่นแหละออาการที่มันเกิดนะครับเราไม่ใช่เขาไม่ได้เข้าไปศึกษาหรอกแต่ว่าเขาแสดงให้เราเห็นแค่เราเข้าไปเห็นแค่นั้นเองอืมแต่ว่าใครจะไปเห็นรายละเอียดลึกแค่ไหนนั่นแหละถึงขั้นที่แบบ ก้ามเนื้อตึงแบบเซลล์ประสาทอะไรมันโอ้คนนั้นยิ่งเลือกยิ่งดีนะครับยิงย่งยิ่งยิ่งเจ๋งเลยนะครับแต่พวกใหม่นี่แค่ให้ใจอยู่กับตัวนี่ก็พอแล้วนะครับแค่คุยกัน น, น้อยพยายามสร้านยังหวะอ่ามึงรู้สึกครั้งหนึ่งก็พลิกมือขึ้นตั้งมือขึ้นแค่เนี้ครับไ ม, ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าสติอยู่ไหนเนี่ยตามันไปหาไม่มีหรอกครับสติในมือนะ่ะ แต่รู้ว่ามันเคลื่อนมันไหวนั่นคือได้สติแล้วนะครับเนี่ยพลิกมือขึ้นนะมันยกมือขึ้นนะเอามือลงนะนี่คือได้สติคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสติครับไม่ใช่ว่าไปหายกมือครั้งนึงไปหาสติไม่ใช่นะครับอืมแค่ดูการพลิกการเคลื่อนการไหวการหยุดนั่นแหละสำสำรวจกายตั้งตรงอปวดแข้งปวดขาเข้งตึงสํารวจอยู่อย่างนี้แหละ อแต่ว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันจะมาเองนะครับเขาจะหลั่งมาเรื่อยๆหรอกทั้งเบื่อทั้งเซ็งทั้งง่วงทั้งฟงงุ้งซ่านพอง่วงปุ๊บอ่ะโอ้ยทำไมฉันง่วงวะเนี่ยฟุ้งซ่านอีกใช่ไหมแท <laughs> นที้จะเห็นว่า ง, ง่วงมาก็สร้างยังไงต่อเออรู้ว่าความง่วงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ทําไมฉันง่วงช่นทำไมฉันแย่จังเลยไปคิดต่ออีกกลายเป็นฟุ้งซ่านมิตกวิจารณอีกเห็นไหมพอเริ่มง่วงอ่ะเราก็ปรับอ่ะแก้ไขาทานแล้วก็สร้างยังหไงต่อ หรือถึงแม้ว่าเราเออจะกลอะจะคิดไปแล้วว่าโอ้ทำไมฉั น, ฉนถึงม่วงฉันเป็นเพราะอะไรอ่ะพอเราเห็นพวกเออผมคิดนี่อ่แล้วก็กลับมาสร้างอย่ีกว่าใหม่กลับมาอยู่ที่ตัวใหม่พยายามดึงดึงดึงใจเนี่ยมันอยู่กับตัวอะไรเกิดขึ้นก็ตามพยายามดึงกลับเข้ามานะครับเนี่ยเบื้องต้นเนาะไม่ยากเนาะทุกคนก็ทําอย่างนี้เนาะใช่ไหมหรือใครถามแตกต่างอย่างนี้ เสริมผมได้นะครับบางทีผมก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเนาะไม่มีใช่ไหมอ่ะผู้ใหม่ผู้ใหม่คุยกับผู้ใหม่กันได้นะครับถ้าบางทีอารมณ์ลึกๆเนี่ยต้องไปถามหลวงพ่อนะครับใช่ไหมแต่ผู้ที่เรากาลังเริ่มต้นฝึกเหมือนกันเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยถึงแม้จะจะบวชเป็นพระอยาจะมีภาษาให้ภาษาก็จริงแต่บางทีเนี่ย โยมจะติดว่าพระนีต่ต้องเก่งไม่ใช่นะครับพระก็คือผู้ที่ยังต้องฝึกแต่ว่าสละเวลามาสละคร อ, อบครัวสละบ้านสละงานมาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนั่นเองนะครับเนี่ยแต่โยมเนี่ยโยมเป็นผู้ที่อยู่กับเรื่องนั้นจริงๆครับทุกก็ทุกจริงๆใช่ไหมไปเจออารมณ์ก็อารมณ์จริงๆบางทีโยมอะจะจะนิ่งกว่าพระได้ซ้ำครับ บางทีพระเนี่ยหมุดหินง่ายด้วยซ้ํานะครับแต่โยมเนี่ยเจอปะทะตรงๆนะครับบางทีโกรธก็โกรธ ก, ก, กันเลยใช่ไหมเนี่ยก็ขอให้เรามันมีทั้งส่วนดีส่วนด้อยนะครับต่างคนต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ได้ใช่ว่าอ่ามันจะฝึกต่างกันหรอกเพราะว่าเราฝึกเรื่องเดียวกันนะครับฝึกอ่าเรื่องในชีวิตของเราแบบเดียวกันไม่มีแบ่งแยกไม่มีชายหญิงนะครับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้เราศึกษาอย่างนี้แหละ นะครับเพราว่าเราโชคดีแล้วนะครับที่เกิดมาในสังคมอย่างนี้ความจริงถ้าผมไม่ได้มาบวชนี่ผมก็ไม่ได้เจออย่างนี้เนะี่ยพูดตามตรงครับก็อยู่คงอยู่ตอนนี้ก็คงอยู่ในอนุ่นแหละผับบาร์นอยู่ในวงเล่านุ่นแหละนะครับมันไม่มีอะไรใช่ไหมข้างนอกอ่ะอย่างวัยรุ่นอย่างนี้ด้วยวงทีมันเบื่อมันเลยคิดอะไรไม่ออกหรอกจะมาสร้างสร้างอย่างหวานนี้ไม่มีทางนะครับใช่ไหมโอ้ย <c oughs> มก็ต้องไปหาเพื่อนหาอะไรไปเล่นตามสุขสนานเฮฮาไปนั่นแหละ พระินทบาทนั่นแหละที่เข้าบ้านใช่ไมืมสมัยก่อนก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความบังเอิญก็ก็ตอนสมัยนั้นก็น้ําท่วมเหมเนาะน้ ำ, นำท่วมน้ําท่วมเทศไเจนะก็ตกงานนะครับก็เลยมาบวชว่าจะบวชสักสิบห้าวันนะบวชให้แม่นะไว้แม่ก็ว่างงานแล้วใช่ไหมก็พอดีไปบวชที่วัดท่ามแสงเทียนอันนี้พูดหน่อยเนาะห้อยไม่มาคุณไปฟังนิดนึงก็เลยไปบวช แต่ว่าจะบวชแค่สิ้าวันนะครับทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เฮ้ย hey, ไหนๆคุณก็บวชแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีเก็บอารมณ์กันนะที่การญจ น, นบุรีนะครับอ่าเราก็ว่างอยู่นี่เราก็อ่านั้นผมอยู่ต่อก็ได้นะครับไม่มีศรัทธาไม่มีอะไรนะครับผมพูดตามตรงเลยผมเนี่ยไม่เคยใส่บาทพระด้วยซ้ำนะครับไม่เคยไปไหว้พระเลยไปวัดนี่ไปกินข้าวแค่นั้นเองนะครับกลับไปให้พระผ้ า, ผาข้าหนังกลางแปลงใช่ไหมอ่มาเมื่อก่อนชาวบ้านทีน่เรามีใช่ไหมหนังที่เขาล้อมผ้าคนโบรา น, นี่บอกเนาะ คนนะบางทีเขานั่นนะ่ะบัตรยสิบบาทเราไม่มีตังค์ครับให้พระผาเขา่าแล้วท่านก็ใช้ประโยชน์จากพระที่ตัวเองก็บางพอสมควรครับเมื่อก่อนไม่ไม่มีศรัทธาเรื่องนี้นะครับแต่พอเราไปไปเก็บอารมณ์เนี่ยเออเราเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญกับเราเว้ยใช่ไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราทํางานเรามานั่งคิดเอ้ฉันทําเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเราไปนั่งมองชาวบ้านในตลาดผมไม่ชอบเดินไปบนสะพานลอยไปดูผู้คนที่เขา มันจะไปไหนกันมาทั้งวันทั้งคืนเนาะรถก็เยอะคนก็เยอะบางทีเรามองไปอะไรก็ไม่รู้บางทีเราหลบเข้าห้องมาแต่พอเรามาเห็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่ไอสิ่งที่เราถามตัวเองอยู่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ม่นมีคนบอกนี้ด้วยหรอวะเราก็คิดในใจครับเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราไม่เคยเข้า ว, วัดไม่เคยอะไรเลยครับพระครูบาอาจารย์ไม่เคยรู้จักเลยพระแขวนคอนไม่เคยมีนะครับจริงไม่เคยศรัทธาใครเลยนอกจากตัวเองเมื่อก่อนนะครับ แต่พอมาเห็นเรื่องนี้แล้วโอก็โชคดีที่มาเจอหลวงพ่อมาเจอครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็แนะนำํำพอเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็ทำอย่างนี้ตลอดนะครับอย่างที่เราให้ฟังนั่นแหละแล้วแต่ตื่นมาเราทํายังไงบ้างก็ทําอยู่อย่างนี้แหละะทำไปเรื่อยๆเลยก็ไม่ได้อะไรเยอะเราก็ทําอยู่อย่างนี้แหละครับ ม, มันก็ทําให้เราอยู่ได้เรื่อยๆเวลาเรางุนงงติอารมณ์มาเนี่ย สักพักมันหายไวครับเราเห็นผลเลยเมื่อก่อนเนี่เราคิดเป็นวันเป็นวั น, นครับเจอเรื่องอะไรอย่าง้องหายทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยมันคิดบางทีเป็นเดือนแต่เดี๋ยวนี้ติดอารมณ์กับใครเนี่ยหันหลังให้ก็ก็คือกลับมาอยู่กับเรื่องนี้ไอ้เรื่องทั้งนั้นมันก็มันก็ทิ้งไปเลยเออเราเห็นผลเออเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับใช่ไหมเมื่อก่อนจะนอนนี่ต้องเบียร์สามขวดใช่ไหมมีฟ <laughs> ู้งเรื่องจริงนะครับเออเมื่อก่อนใช่ไหม คนทำงานแบบตามโรงงานอย่างผมเนะี่เป็นคนทํางานโรงงานก็เลือกกะมาก็ซัดเบียร์กับเพื่อนก่อนค่อยนอนเพราะงั้นนอนไม่ได้นะครับใช่ไหมแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเออหัวลหัวล้วลมลงหมอนเนี่ยห้าทีนี้หลับเลยนะครับคนใครจะพูดเสียงจะดังเลยแล้วเรื่องของคุณเถอะแต่เราหลับได้เออแปลกดีถึงแม้ว่าเราหลับไม่ได้แต่ตื่นมาเราก็ไม่เพียนะครับจริงนะ แล้วก็นอนดูอ่ลมหายใจอนอนนิ่งๆก็ได้อนอนไปสักพักแขนมาเริ่มปวดแล้วพิกให้เขาหน่อยเอแล้วก็ตามดูนิดหน่อยอพิกให้เขาหน่อยพระกาพิกมาค่อยปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆตื่นมาไม่เพียสังเกตดูครับใครนอนไม่หลับลองไปทําดูนะอืมแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่เป็นไรเลยตื่นมาแล้วก็ปกตินะครับเนี่ยถ้าเราตามดูเนี่ยเราจะมีวิธีแก้อยู่เรื่อยครับทุกอย่างอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกสนุกนครับ แต่บางทีมันก็เครียดนะอืมแต่ว่าเราก็ทําอยู่นะครับเรื่องบางเรื่องก็อ่าอ่ามันก็มีบางเรื่องที่มันเครียดข้างในแต่ว่าก็เห็นว่าเออมันผมเครียดมันเป็นอย่างนี้มันหนักหัวมันตามันตื้อสมองมันมึนเนี่ยเราก็เรีศึกษาแล้วก็จะหาออกทางออกจากเรื่องนั้นเนี่ยพราะเรารู้หลักเล้วนี่ใช่ไหมอ่ะเราก็หาเรื่องที่มันออกจากเรื่องนั้นนะมาอยู่กับกายก็ได้อ่าอาจจะไปทำเรื่องอื่นก็ได้ไป จับนั่นจับนี่ให้มันออกจากเรื่องนั้นก่อนนะครับพอเรารู้หลักนี้ว่าใจของเราเนี่ยมันมีดวงเดียวถ้าไม่กรอบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันหนักเราก็ต้องหาให้มันออกให้ได้อเพราะว่าเรามีกายมีใจเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าเพราะว่าเราเพราะว่าเรารู้สึกว่ามาเก็บอารมณ์เลยครับใช่ไหมคําว่าเก็บอารมณ์เนี่ยมันหนักนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรว่าเก็บอารมณ์ครั้งแรกผมนี่มันคืออะไรเก็บอารมณ์นะครับ แต่ตอนนั้นที่เทคนิคของผมคือผมบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราบวชเดือนเดียวแล้วเราไม่ต้องเครียดเออที่นี้ไปเห็นพระเนี่ยออกมาแต่ละคนนี้หน้าดําำําเครียดเออเราผิดทางไหมเราก็คือเราไม่ได้ไม่ได้กังวลไม่ได้เครียดครับเราทำสบายๆเหมือนเด็กเล่นทรายแล้วก็เดินเตะท้ายเตะขวาไปมาที่ไปสอบถามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถูกแล้วนะครับท่านเราต้องทําใจสบายๆเตียงกาอยู่ก็รู้สึกตัวได้ อาจารย์คงกิดว่านะครับคุณจะห้อยหัวต้นไม้อยู่คุณรู้สึกตัวได้เราก็จํำคานั้นมาเลยนะครับเนี่ยจําใส่หัวใส่เมมโมรี่ไว้เลยว่ามันต้องผ่อนคลายสบายๆนะครับเอแต่ว่าขอให้มีขอให้รู้สึกตัวในสิ่งที่ทําอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดนะบางทีไปเก็บไอ้คุณอย่ามาคูดกับฉันนะฉันเก็บลมอยู่เครียดแล้วเขายังไม่เดินมาใกล้เลยเราคิดไปก่อนแล้วครับ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเป็นไหะ บางทีเขาเดินผ่านมาเหมือนเหมือนจะมาใกล้ความจริงเขาไม่ได้ใกล้หรอกเขาเดินผนเขียดไปแต่เราเนี่ยฉันเก็่ยวรมอยู่อย่ามาใกล้กับฉันหลงพ่อเดินผ่านมาเฮ้ยเวาพอมันแล้วทําไงดีอาจจะตอบขอท่านว่ายังไงท่านก็เดินเลี่ยงไปนะครับ <S <S ไม่ใช่นะครับต้องเกลียดตัวเองดีๆนะครับคือต้องให้ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นอยากพูดอย่างนั้นเราต้องเราต้องดูด้วยเออเนี่ยอาการที่มันปะมาเวลาเจอครูบาอาจารย์จะมาเนี่ยมันเป็นยังไง นี่เรากลับมาดูอย่างนี้มันถึงจะถูกนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ใช่ตอบอยังไงดีเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ว่ากลับเข้ามาสำหรับผู้ที่มาใหม่นะครับสำหรับผู้ที่มาใหม่อาจจะเกรงอาจจะเขร่งเครียดอยู่เพราะว่าไม่ใหม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าหลักการก็คือขอให้เราทําแบบผ่อนคลายนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างความตื่นตัวให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ง่วงไม่เบื่อไม่เซ็งไม่ซึมเศร้าขอให้ ทำให้ยังไงก็ได้ให้ตัวเองกระฉับกระเชงสุดชื่องแอคทีฟอยู่เนี่ยหลักสําคัญของสายนี้เลยนะครับไม่งั้นเราไม่ต้องมาสร้างอย่างหว่างนี้หรอกนะครับเฮ้ยหยับตาเมื่อก่อนแล้วเคาะหัวหยับตาครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามอย่าหลับตาเพราะว่ามันจะง่วงพอง่วงปุ๊บมันไม่เห็นอะไรแล้วใช่ไหมนี่เองนี่เคือหลักการที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกคือคุณอย่าไปซึมซึมปุ๊บมันก็ไม่เห็นอะไรไงครับกวดคอจะแย่ยแล้วก็ไม่เห็นใช่ไหม เพราะเผลอเพื่อนคิดไปนั่งยกไปเถอะทั้งวัน่ะจกไปนะครับแต่ว่าประโยชน์มันไม่ได้ไงเพราะว่าใจมันอยู่ที่อื่นไอ้ที่มาเก็บเนี่ยมันไม่ได้ครับอบางที่เบื่อไม่เอามันก็นั่งเสียเวลาไปใช่ไหมเออแต่ถ้านั่งปุ๊บมันเบื่อเออนั่งดูอารมณ์เบื่อไว้เบื่อเป็นอย่างนี้เออแล้วแก้ไปอะมาสร้างจังหวะให้ใจมันอยู่กลับมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยเป็นการแก้นะครับเนี่ยทำางนี้ไหมครับโยมข้างหลังที่ถามเมื่อกี้ ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปที่ไม่ได้นะครับผมเห็นเดินอ้อมนี่เลย <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นะครับมันเกี่ยวกับยุทที่ตัวเรานะครับโอ้ยตรงนี้ไม่ดีไว้ได้ไม่ได้อารมณ์ไปตรงโน้นอีกมันก็ไม่ได้อารมณ์หรอกนะครับใช่ไหมมันไม่ได้เบื่อมันต้องเราตรงอารมณ์ที่มันเบื่อนะครับมันเบื่อตรงนี้ท่านจะย้ายไปตรงโน้นเดี๋ยวมันก็เบื่อนะครับไปตรงโน้นอีกมันก็เบื่อความเบื่อมันมันเกิดมาพร้อมเราเลย แต่เราต้องเข้าไปศึกษาเขาว่าเบื่อมันเบื่อเพราะอะไรนะครับโอ้ตรงนี้มันร้อนอมันร้อนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงครับสามารถปรับตัวได้ทุกอุณหภูมิบนโลกนี้ใช่ไหมเราอย่าไปกลัวนะครับแตเ่เราเข้าไปศึกษาหน่อยว่าเอ้ยมันร้อนมันมาบีบคั้นใจเราปุ๊บเราอยากจะหนีเราอยากจะเปลี่ยนที่นี่คือเข้าไปศึกษาไปเก็บอารมณ์นะครับใช่ไม ความร้อนมีผลกับเราอย่างนี้อ่ะเราเหงื่อออกเราหมุดหิดอ่ะความหมุดหิดมาแล้วความหมุดหงิดเป็นอย่างนี้นี่อ่ะมันอยากจะหนีไปที่อื่นเนี่ยใจมันก็อยากจะพาห น, นีแต่ว่าตัวเราอยากตัวเราอยู่ตรงนี้เออใจใจมันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเราก็เข้าไปศึกษาเขาอย่างนี้ครับไม่ใช่ตามเขาไปนะครับไม่ ง, งั้นเราก็ไม่ฝืนเขาไม่ได้ทุกทีสิครับใช่ไหมไม่ ง, งันนน้นก็ตามเขาไปตลอดตลอดตลอดมาฝึกทุกวันมาฝึกทุกครั้มันก็ต้องตามเขาไปตลอด มันก็ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่เราต้องหัดฝืนเขาหน่อยเออมันร้อนเหรอฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะโต๊ะทีคุณจะทําังไงคุณจะดินให้ตายไหมข้างในใช่ไหมเราก็นั่งดูเขาอยู่นั้นน่ะเออถ้ามันร้อนจริงล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอาจจะจิบน้ำใช่ไหมอาจจะเาผ้าเช็ดตัวนิดนึงเอาผ้าพรมน้ํามาเช็ดหน้าก็ได้นะครับผมเคยลองครับไปตอนไปแพทย์แสนเทียนตอนที่เรียนช่วงเดือนห้าช่ร้อนจัดจนะัดหน่อยเหไหม โอนั่งเขาไปในกุฏิเลยนะครับถอดอังสาออกเข้าไปแรกๆนี่ร้อนมากนะครับร้อนนี่เหงื่อไหลแบบเป็นน้ำํำยมก็ได้ไปเนาะโอ้โหแต่ว่าโชคดีที่เคยทํางานมาทํางานที่ตรงโรงเหล่าไอโรงหลอมอลูมิเนียมครับตวเตาเบลเลยนะครับอลูมิเนียมหลอมได้คิดว่ามันมันร้อนขนาดไหนนะมันคนนั่งเลยนั่งดูอาการที่มั น, นร้อนแล้วสักพักร่างกายเรามาบัดตัวครับรบัดตัวเข้ากับที่ตรงนั้น สักพักมันจะอยู่ได้ถ้าแรกเราเข้าไปแล้วเราหอบเราหายใจไม่ได้เลยนะครับนั่งไปสักพักหนึ่งเหนื่อเงือ่อมันจะไหลออกมาไหลเป็นน้ําเปียกหมดครับเป็นน้าสักพักร่างกายของคนเราเนี่ยมันปรับอุณหภูมิเองมันเราจะรู้สึกว่าอุณหภูมิมันลดลงปับแล้วเราก็มีผ้าเด็กผืนเล็กๆไว้เกิดบางทีเกินไปแล้วก็ปกหัอหน่อยใช่ไหมเพราะหมมัวจะร้อนกว่าเขานะครับไม่มีผมใช่ไหมตอนนั้นกางผ้าเนี่ยก็ลำบากนะไม่มีผมไงก็แล้วบางทีต้องเอาผ้ามาปกหน่อย พอเรารู้พอเราศึกษาเรื่องร้อนเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยพอช่วงลมมันจะมานิดนิดเนี่ยเราผ้ามาใช้ตัวครับใช่ไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าความเย็นเนี่ยมันเย็นกว่าปกติเยอะเลยนะครับใช่ไหมบางทีหนาวจนขนลุกอะ่ะเราก็ศึกษาอีกเออเนี่ยคุณของความร้อนเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักความร้อนเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าของความเย็นเลยเห็นไหมเราก็จะอยู่แต่เย็นเย็ น, เ ย, นเย็นตลอดไม่กล้าเข้าร้อนสักที ใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ต้องแอร์ต้องพัดลมพอไปเจอร้อนหน่อยบนนี่เนี่ยโอ้ร้อนอยิงเลยไม่ร้อนขนาดนี้เนี่ยก็ใช่สิเพราะเราไม่เคยอยู่ร้อนนะใช่ไหมแต่พอเราพาเข้าตัวเองเข้าไปศึกษาเรื่องมันที่มันร้อนหน่อยต่อไปเนี่ยเออ ย, นอนอ ย, ย, ยน็นก็อยู่ได้ร้อนก็อยู่ได้สบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนี่ยมันเป็นการเตรียมพ ร, มพร้อมๆให้ตัวเองนะครับศึกษาทุกรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเลยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะคใช่ไหมอืม เพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันอยู่กับเราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหาเลยนะครับถึงคุณพายพายามหนีมันมันก็ยังอยู่ยังมีอยู่นะครับใช่ไหมเวทนาเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยมีเรื่องให้ศึกษาตลอดเวลาเลยอ่าไม่มีเหรอยังไม่มายกทางอย่างหวาร้อหน่อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยที่เรามาทําเนี่ยส่วนหนึ่งของเขามีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะเกิดช้านะครับความคิดมันอาจจะมาช้า เวทนาอาจจะมาช้าความเบื่ออาจจะมาช้าควมเสียงอาจจะมาช้าท่านยังหวะรอเห็นไหม <sensitive S 1> เออท่านยังหวะรออาสักพักมาแก้อ่แก้หายไปทานยังหวะต่ออ่ะท่สนยังหวะเบื่อไปเรียนโยกมลก็เล่นศึกษาเล่นไปมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องต้องเครียดนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องสนุกสนานเหมือนเราไปดูทีวีอ่ะทําไมนางเอกกับตัวร้ายตบกันนี่แสลงขอจันครับใช่ไหม โอยทำไมไม่ทำอย่างนี้เนี่ยฮะ อ, อ่าอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเรามาดูเหมือนดูทีวีนั่นแหละถ้าเราถ้าเรารู้ตามดูเป็นเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเห็นเองแต่ว่ามันอาจจะไม่สนุกเท่าทีวีเท่ า, ททาละคร น, นั่นเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเราต้องศึกษานะครับอไม่ใช่ต้องศึกษ า, าต้องเข้าไปเห็นต้องเข้าไปดูหน่อยใช่ไหมแล้วก็มาทําอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาแค่ห้าวันมันจะรู้เรื่องธรรมะ ไม่ใช่นะครับนี่คือการมาปลูกฝังแล้วเพื่อเราให้เราเอาไปทํำต่อเห็นไหมใครที่แบบอธรรมะเข้มแข็งเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าท่านผู้นั้นเนี่ยจะทําตลอดเวลาอาจจะไม่ค่อยไปคลุกคลีกับใครนะครับมีเวลาก็เดินจงกรมมีเวลาก็สร้างอย่างวะไปนะครับหรือว่าหางานที่ท่านทําอยู่คนเดียวใช่ไหมท่านจะไม่พยายามคลุกคลีกับใครมากพยายามเก็บความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่ละวันแต่ละวันเราเองก็ทําได้นะครับกลับไปบ้าน ไปทํางานอใส่ใจงานที่เราเคยทํานั่นแหละอีกนิดหนึ่งนะครับจะเข้าห้องน้ําจะซักผ้าจะขยี้ขยี้เสร็จตากแล้วก็มาจงขยี้หน่อยใช่ไหมแปลงฟันอสอกนี้สะาหรื อ, อยังสอกนั้นคือใส่ใจรายละเอียดนิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้ทําเยอะนะครับใช่ไหมเรื่องเนี้ยอล้างหน้าถูสบู่เอแขนซ้ายถูยางแขนขวาถูยางเป็นไงเมื่อก่อนนี้ จบเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็กลับไปศึกษาละเอียดนี่หนึ่งอะถูข้างซ้ายเขารู้สึกเออถูแขนถูคอถูหน้าถูหลังอ่ะแขนเอื้อมไปถึงไหนนี่ก็ศึกษาแล้วใช่ไหมถูหลังถูขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตามดูแค่นี้เองนะครับใช่ไหมเพราะในชีวิตประจําวันของเรามันมีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออฉันนี่มาเข้าทางจงกรมเท่านั้นต้องมาสร้างยังหวาเท่านั้นไม่ใช่นะครับนี่เป็นรูปแบบหลัก แต่จริงๆแล้วชีวิตประจำวันของเราต้องหาที่สําคัญนะครับมันทั้งมีปัญหามีทั้งการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเนาะม่มีใครมีอะไรอีกเนาะหลวงพ่อมาแล้วนะครับ <c ười> <c ười> ผมไม่เคยพูดนานขนาดนี้มา ก, ก่อนเลยนะครับเผมใจหลวงพ่อแก้งน่เนาะก็ไม่มีอะไรไม่มีใครสงสัยก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่อ่ารับฟังนะครับก็ ก็จะเป็นพรนะครับเพื่อหลวงพ่อตายจะได้มีคนฟู้แทนได้ต้องฝึกไว้ก่อนก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาอยาให้คนหนุ่มทาเยอะๆเพราะว่าสติสัมยา่อยังปกติอยู่ แล้วก็จิตใจยังไม่ปลอบช้า ม, มากเกินไปไอ้คนที่ผ่านโลกมาเยอะดีใจนี่มันทุกข์มันทุกข์ปอดช้ํามากบางทีก็ปรับให้ปกติยากกันนะ่ะถูกบีบถูกอัดถูกก ด, ถ, กดถูกดันเ บ, บี้ยวบีไปหมดพอจะมาโกมาแต่งให้ปกติเหมือนเดิมนะีม่นยากมากแต่คนหนุ่มนี่มันยังเป็นนี่เยอะก็อยากจะให้อแนะนําลูกหลานเนะี่ะ ศึกษาเรื่องนี้ด้วยเราทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นคนทน่ผ่านโลกมาระดับแล้วก็ทําเป็นต้นแบบที่ตั้งใจทําเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันสงสารมนุษย์นะแต่ว่าเห็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยอ้โหมหาศาลจริงๆนะคือ ก, การเกิดมาคนหนึ่งแล้วตายไปโดยที่ไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยมันเสียดายอะ่ะ เสได้ว่าเพชรก้อนหนึ่งได้หลุดไปจากโลกนี้โดยที่ไม่ได้เจริญในเลยแต่ถ้าได้มาฝึกฝนเนี่ยเพชรเมืนี้ถูกเจริญในยอย่างสวยงามที่วิชาเรียกลัตนาะใช่ไหมรัตนาบุรุษรัตนาสตรีรัตนาไตรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยคนเนะ่ะแต่ว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยคนตุมที่เราตกจมมานานทามาล้างมาขัดมาสีแล้วเป็นถ้ามันตกอยู่ใน ดินในโคนในตรมเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเพราะคนมาเจอมาเจอในเป็นเพชรมีค่ามหาศาลนะเพราะนั้นก็ไม่อยากจะให้หลายคนท้อถอยเลยดูถูกตัวเองว่าทําไม่ได้แต่ว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งนะมันก็จะดีมันก็จะงามแล้วก็จะมีความสุขจากเราที่มาจากที่โคลนที่ตรมเนี่ยกลายเป็น เพชรที่สวยงามได้เนี่ยมาว่ามันคุ้มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นช่างที่เจรนายเพชรมาแล้วก็ให้เครื่องมือมามหาศาลเลยแปดหมื่นสี่พันชิ้นน่ะที่เราก็เสียดายเครื่องมือเหล่านี้ที่มันค่อยค่อยสูญหายไปโดยที่ไม่ได้ใช้ถ้าเราทั้งหลายมาช่วยกันใช้เครื่องมือท่านก็จะสืบทอดกันไปนานนานมนุษย์ที่เกิดมาอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะวนมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลย และชาติชาติหนึ่งเราจะมาจมปลักอยู่แค่โรคภลหลงแค่นั้นแล้วก็ตายไปมันไม่คุ้มเงินนะไม่คุ้มทั้งที่มีอะไรอีกมากมายยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าโรคภลหลงมีมากมายแต่ว่าเราทําไมมคาค้นความไม่ศึกษาเสียดายตรงนั้นเองนะแล้วพระพุทธเจ้าเองในคุณของพระพุทธเจ้าเองไม่มีคําว่าเมตตานะจําได้ไหมคุณพระเจ้ามีกี่อย่างที่เรากล่าวสามข้อนะกล่าวคุณพระพุทธเจ้าคุณข้อที่หนึ่งคืออะไร บริสุ์ที่คุณ อ, อันที่สองปัญญาคุณอันที่สามมากรุณาที่คุณมีคาว่าเมตตาคุณไหมมีพระพุทธเจ้านม่มีเมตตาแต่ท่านมีกรุณาทึ่งสูงกว่าเมตตาเพราะเมตตาหมายว่า น, นึกสงสารเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจแค่นั้นแต่กรุณนานี่ลงไปเลยลงไปช่วยเลย ลงไปช่วยด้วยกําลังทรัพย์ด้วยกําลังกายกำเงินทองกําลังสตีปัญญาช่วยหมดจนกระทั่งคุณคนนั้นขึ้นมาได้ว่าเนี่เนี่เป็นกรุณาเช่นใช้กัมหากรุณาที่คุณท่านไม่ได้มานั่งสงสารคนแบบแรวมๆมาแล้งไม่ใช่อไงนะที่เราแผลไม่ตาดทุก ว, วันนะแต่ท่านเห็นว่าเออคนนี้มีจะได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยท่านก็ไปประคบประมง มีพระองค์ชื่อปูติตาคันป่วยได้โรคอะไรไม่รู้เนา่าทั้งตัวเป็นมะเร็งว่าแล้วเรียกเป็นมะเร็งเนาะเป็นมะเร็งคุดอะที่มันน้ำหนองไหลทั้งตัวเนะี่ยซึ่งยังตอนนั้นเป็นเพียงพระโสดาบานันเนี่ไม่ได้บรรลุปเป็นพระหันทีนี้เมื่อป่วยขนาดนั้นนกินก็เหม็นขาวคุ้งไม่หมดพระที่พยาบาลอยู่ก็ต่างคนต่างหนีห่างเพราะการรักษาพยาบาลขนาดนั้นไม่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเดินไป ได้กลิน่นนะท่ะนก็ถามพระนุนว่ามันกินอะไร อ, อปป๋อข้า ป, ป่วยเั้นข้าป่วยแล้วเป็นน้ำหนองไหลแล้วไม่มีใครดูแลอท่านก็เล็งเห็นแนวนี่ใส่พระองค์เนี่ยจะไปถึงเป็นพระรหันต์นะที่ยังไม่ตายนี่นะพอรอจังหวะอยู่ท่านก็เลยสั่งให้พระนุนต้มน้ําต้มน้ําอุ่นแล้วเอาผ้าชุบน้ําอุ่นอุ่นร้อนๆเนี่ยไปเช็ดให้พระนุนเป็นคนทําจนกระทั่งว่าท่านรู้สึก สบายท่านยังไม่เลิกเรือนที่ปกติดีนะแต่ว่าโรคมันแรงเพรวิบากกรรมท่านก็มีวิบากกรรมมาว่าสมัยชาติหนึ่งท่านเป็นในพานในพานยิงนกอะนะยิงนกดักนกที่นี้พอยิงนกบางตัวก็ตายบางตัวก็ไม่ตายบางที่ตัวที่ไม่ตายมันป Ł ่วยข้างหน้านเป็นถูกบาดแผลถูกกระสุนถูกอะไรแล้วไม่ไปเน่าตายข้างหน้าเนี่ย ด้วยวิบากกรรมนั้นท่านมาเกิดแล้วท่านรับวิบากอันนี้ถึงแม้จะเข้ามาสู่เป็นอริยภูมิแล้วก็ตามยังไม่พ้นวิบากก็เลยให้พระนุนช่วยเช็ดเนื้อชเช็ดตัวแล้วเอาไปนอนอกลางห้องแล้วก็ท่านก็แสดงธรรมแบบคิดมนุนทัศน์แสดงธรรมให้ฟังจนจบพอฟังธรรมจบแล้วจิตใจท่านเบิกบานแจม่มใสแล้วบรรลุธรรมเป็นพระรหันแล้วท่านก็ตาย เราจังหวะแค่นั้นแหละเพรา ะ, ะนั้นจะเห็นว่าหน้าโรงพยาบาลสงทุกแห่งจะมีรูปปั้นรูปพระเจ้าอุ้มพระใช่ไหมเอาพระมานั่งตักแล้วก็หรือบางบางรูปก็ยืนอุ้มอันนั้นรูปจักนั้นได้ดังนั้นเราทั้งหลายไม่เป็นนึกขนาดนั้นนะไม่เน่าไม่เป่วยไม่ป่วยขนาดนั้นนะทําไมน่าจะทําได้ดีกว่านะแต่ว่าฉันยังไม่ได้เชียพระพุทธเจ้างี้ยได้นะ รอเจียวพระริชาก่อนนูเดี๋ยวพระริคุบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู是是้นั้นเห็นเราอย่าผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นธรรมก็เห็นตัวเองน่ะเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นรูปเห็นนามจนกระทั่งว่าใจของเราเองอสอนเราเองได้นั่นแหละพบพระริชาแต่บางคนพบพบธรรมะในตัวเองแล้วก็สอนตัวเองได้ใช่ไหมสอนตัวเองได้อย่างนี้มันจะแนะนําเราก็ค่อยฟังตัวนั้นแหละ ฟังจิตที่สอนเรานะ่นั่นคือพุทธะละเกิดล้วมีใช่บางคนเริ่มมีหรือยังพุทธิเจ้าลร่มเกิดในใจหรือยังคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าหาเราไม่เกิดตัวนี้ต่อให้เตอพุทธิเจ้ามาสอนเราก็ไม่เอาหรอกแต่พุทธิเจ้าท่านสอนให้เกิดภาวะนี้ในใจแล้วจิตอันนั้นนะมันจะมาสอนเราบอกเราจะทําอะไรควรอะไรไม่ควรอืมวันนั้นครูจิพูดทีว่าไป เรื่องซื้อเรื่องหนังสือว่าจะเอากําไรเท่าไหร่นะคิดไปคิดมาเกิดอายใจว่าเอาไม่เป็นว่า เ, าเขาบริจาคมาแล้ว เ, เราซื้อถูกๆแล้วก็บริจาคไปก็แล้วกันเราคิดมันมันเกิดตัวนั้นนะเขาเรียกว่ามาโนธรรมสำนึกของที่เราใช้นะมโนธรรมตัวมโนธรรมทุกคนส่วนใหญ่ที่เป็นมนุษย์มีอยู่แล้วแต่มโนธรรมทีนี้มันพัฒนาไปเป็นกุสรธรรม แล้วครสลธรทำนี่กลับมาย้อนสอนเราอีกทีหนึ่งเมื่อสอนเราเราก็เชื่อตรงนั่นแหละเรากาเชื่อตัวเองเพราะมนุษย์เนี่ยถ้าตาราบใดยังไม่สิ้นอัตตาไม่สิ้นศัก์ศรีเนี่ยไม่เชื่อใครหรอกแต่ในเมื่อเรามาเข้าใจแล้วก็เราสอนตัวเองเนี่ยตรงนั้นเราจะเชื่อภาวะที่สอนตัวเองนั้นเรียกว่าภาวะพุท ธ, ธะพุทธิเจ้าเกิดแล้วในตัวเราทําไปเรื่อยๆมันจะมีนะเราทาอะไรที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไม่ดีเนี่ยเขาจะ ขึ้นมาสอนทันทีเลยอันนั้นทําได้อันนี้ทําไม่ได้เขาจะขึ้นมาสอนถ้าเราไม่มีตัวนั้นนะใครจะมารักษาเราใช่ไหมแต่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองแต่ความจริงคือองค์พุทธานนั่นแหละ น, นั้นก็เราปฏิบัติไปสักวันหนึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆืๆเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเชื่อเขานะอันไหนใช่อั น, น, นไหนเราทางไหนที่มันจะเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ไม่ดีเนี่ยเขาจะห้ามเราแต่ความจริงวัณโนทําสํานึกนี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่เราเชื่อไหม ยังไม่เชื่อเพ่ออะไรเพราะยังไม่ได้เป็นผู้ริเจ้าตรวนั้นยังเป็นยังเป็นเราอยู่นะมันยังเป็นเราอยู่เราก็ยังไม่เชื่อตัวเองอ่ะแต่เมื่อไหร่ตัวมนุษยธรรมสำนึกกายมาเป็นตัวศีลธรมวิปยาตรงนั้นเราเราเชื่อนะเพราะเราได้สร้างแด้คนมาด้วยตัวเอง น, นนะเพราะยังไงนะเพราะยังมื่นีความสงสารสานั่นแหละพุทธภาวะคือทุกข์ความสงสารดังนั้นเองก็ให้กําลังใจนะ พรุ่งนี้เราเอ้พรุ่งนี้ใครจะกลับบ้างนะหนึ่งสองสามนีว่าจะกลับเมื่อคืนนี้ <c oughs> อกลับเมื่อคืนนี้อ่าเพราะฉะนั้นหลพ่อจะพากลับเมื่อคืนนี้ให้กับเฉพาะคนที่จะกลับกรุงเทพเท่านั้นพรุ่งนี้เนะคนที่ยังไม่กลับกรุงเทพให้กลับเมื่อคืนนี้เชา้าเพราะจะผมวงพ่อจะพาไปเที่ยว เท่ากับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหลวงพอ่อแออกลับพลื่นนี้ได้ไปเที่ยว น, น, นะก็ะปฏิบัติกันอีกเก็บทั้งวันคุณเฉพาะคนที่กลับกรุงเทพก็มีคุณจัญญากับใครเคอาแล้วศิษย์สาจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเลื่อนวีซ่าใช่ไหมเลื่อนวีซา่ า, าจะทิงะะท้งตัวเลยใช่กำลังจะไปต่อที่แฝ่แสงเทียน เพราะฉะนั้นก็ช่งวงพรุ่งนี้เช้านะตื่นขึ้นมาได้ยิเสียละคลั่งลงมือปฏิบัติเลยไม่ต้องมาทำวัดจนเกิดถึงเวลารับอาหารก็มารับอาหารเลยเพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับกิจปฏิบัตินะถ้าหากว่าเรารักษาอารมณ์ดีๆต่อนเนื่องไปไปยาวเนี่ยบางทีอาศัยเวลาเพียงไม่นานนะ่ะการเข้าถึงธรรมจะง่ายขึ้นเราจะเห็นว่าในอดีต แต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาการเข้าถึงทําเป็นช่วงเช้าเท่านั้นน่ะนะตั้งแต่ ต, ต, ต, ตีสองไปถึงเจ็ดมงเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่สําคัญนั้นใครตื่นมาช่วงนั้นก็ค่อยปฏิบัติไปศึกษาไปวันนี้ก็ให้นอนไวนิดหนึงพรุ่งนี้จะได้ตื่นชา้าเช้าปะลุความเพียรเนาะจาได้นะพรุ่งนี้เช้ามาตื่นขึ้นมาก็ปะลุความเพียรไม่ต้องหวังหว่วงมาทําวัดมาอะไรพรุ่งนี้ก็ถึงเวลา อาหารก็จะหยินเสียแล้วคาจัดก็จัอาหารเสี็จแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเนดะินถึงเวลาสมควรตอนนี้เรากลับพร้พร้อมกันกนะ่น